นอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอาหารหันต์กายจากกิเลสตดักรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข็นอบน้อมต่อบทูเทียนบุตรของเขียนบุตรขององค์พระาอาจารย์สงสีนอ์อาจารย์ตุ่มอาจารย์สุรินพระเทระนุเทระมัจฉิมัลกกะในสมบมัติเ่ชีแม่ขาวอุวสุวสิกาผู้จเจริญในธรรมทุกท่าน มไปด้วยกระดาษเนี่ยแสดงธรรมคือตัวการกระทำนั่นเองแสดงโดยวิธีพูดแสดงโดยวิธีคิดแสดงโดยวิธียกมือสร้างจังหวะมันแสดงอยู่นะหลงหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงธรรมอยู่ทีนี้สติก็แสดงธรรมคือรู้สึกตัวอยู่ไอ้ตัวมือหักตัวหลงมันก็แสดงแสดงคิดไปหนุนคิดไปเนี่ย ผมแต่งไปทั่วนะทั่วหลวงทัวไหนจะมากกว่ากันสติจะมากกว่าหรือว่าทัหลงจะมากกว่ากันสตินี้ไทยมันก็อยู่ที่ความเพียรความตั้งใจวิลิเยนะภพธรรมะเจติคนจะพ้นจากความทุกได้เพราะความเพียรคนตั้ผู้ความเพียรความขยันมีสติแล้วก็สติเอามาเลิกว่าต้องทําความเพียรเอาสติมาสั่งสั่งกายสั่งวาจาสั่งใจ อันนี้กันธรรมะเกิดธรรมะจิตธรรมะใจมโนธรรมะเนี่ยวัจจิธรรมะปัจาธรรมะเนี่ยกายธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ที่เนี่ยหลวงพ่อเทียนเห็นเนยเห็นความคิดเห็นคําพูดเห็นการกระทําเนี่ยเห็นธรรมะแต่ว่ามันเป็นธรรมะชนิดไหนฮะชนะมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ําสุดเลวที่สุดถึงขั้นยอดสูงสุดเคือพระนิพพานเนี่ยในตัวเราทุกตั้นเป็นธรรมะหมดเนี่ย ไอ้ของแข็งแข็งธาตุดินของเหลวธาตุน้ำซึมซาบเลเคลื่อนไหวไปมาธาลุมลมความร้อนอุ่นธาดไฟช่องว่างในจมูกลำคอก็เป็นสุญญากาศเป็นอวกาศเป็นเป็นความว่างสำหรับให้น้ำให้ลมให้อาหารไหลเข้าไปไหลออกทีนี้ก็วิญญาณธาตุธาตุรู้ตัวนี้แหละพอมันรู้แล้วมันก็รู้แบบลงเลย หลวเอาตัวรู้ตัวเองเ ป, เป็นสัตว์บุคคลตั ว, ตวเราเขาว่าเป็นเราแล้วก็ยังหลงเอารูปร่างกายว่าเป็นตัวเราอีกที่เราสวดมารูปปังอนิจจ์รูปปังอนัตตาเวทนาอนิจจ์เวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจ์สัญญาอนัตตาสังขารอนิจจ์สังขาราอนัตตาวิญญาณังอนิจจงวิญญาณังอนัตตารวบยอดสรุปก็คือกายกับใจเนี่ยรูปกับนามเนี่ยไม่เที่ยง แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไอ้ไม่เที่ยงนั่นก็คือเป็นทุกข์อยู่ในตัวทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนทนอะไรสวยสดงดงามคงที่อยู่ไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อยๆผุพังไปคนสุดท้ายก็พังไปเลย น, นี่การให้เห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมจิตใจมันจดจอด่จออยู่ที่ทำแเราไปปินฑบาตอาหารคำามากินนคือคงค่าก่อ ถ้าเราไม่จิตใจไม่จดจ่อในการรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้นิสตารู้ธรรมะอนิจจังธรรมะทุกขังธรรมะาตาเราจิตเป็นโมติคิดตามกิเลสไปเหมือนกับคนบ้านนะนะะก็เลยบอกพระเจ้าแบบไปปนข้าวเขากินปนเงียบเหมอนก้นปนอัปปินธปานอุ บ, บาดไปเนี่ยดีๆไงแต่งตัวจะไปปนกินนาะแต่ปนเงีย บ, เ, ยบเพราะว่าไม่มีคุณธรรมอะไรที่จะไปไปแลกข้าวเขาผูนะ้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญา คนนี้คุ้มค่าข้าวเข้ามาถวายเราเดินไปก็คุ้มค่าข่าวถ้ า, ากว่าอย่างนั้นถ้าไม่จิไม่จดจ่ออยู่กับการรู้อนิจจังรู้สุขขงังอนุตตารู้ลมหายใจเข้ารู้จะบอกรู้มือเคลื่อนไหวมือนี่ก็ลมเลลมมันมาขับให้มือเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวนะี่คลาดลมอาการเคลื่อนไหวนะั่นก็เรียกว่าคลาดลมลมทําให้อ า, าการเคลื่อนไหวขึ้นมาท้องพองยุ ก, ก็คลดลมเหมือนกันหายใจเข้าให้เจอาพุทโธก็ลมเหมือนกันยกมือก็ลมเหมือนกันก้าวเท้าก็ลมเหมือนกัน ลมนี่มันแปลว่าทําให้เต่งเต่งตึงเคลื่อนยุบยบพองแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาก็เลยกระทัลมก็ทำให้ธาตุดินแล้วน่ยเคลื่อนไหวไปมาทําให้ธาตุน้ําเคลื่อนไหวไปมาทําให้ธาตุไฟเคลื่อนไหวไปมาทําให้จิตเคลื่อนไหวไปมานั่นก็ลมกันธาตุเนี่ยก็ธาตทั้งหกพระโมคคัลละจําได้หลายองค์เนี่ยหลายองค์เนี่ยจำไม่ได้จําที่พรพโมคคัลามีทิศทิ้าเทียมของพระเจ้า ฟังธรรมะธาตุทั้งหกนี่แหละนะรูปธาตุแล้วก็จากคู่ธาตุจากคู่ตารูปธาตุก็รูปที่มากระทบตาแล้วก็จากคู่วิญญาณธาตุวนะิญญาณที่มันรูปมากระทบตาเกิดจากคู่วิญญาณเกิดความรู้ทางตาขึ้นมาว่า น, นี่รูปเลนั่นแหละเป็นธาตุทั้งหมดเลยนะเป็นธาตุทั้งหมดยี่นี้ก็เสียงกับเสียงกับสัตว์ธาตุ โสตธาตุกับสัหูเนี่ยแต่นี่โสตวิญญาธาตุเนี่ยความรู้เสียงทางหูก็เป็นธาตุเหมือนกันจมูกตรมกลิ่นกับขันธาตุอะไรขันธาตุกับอัลก็จมูกล้มกลิ่นาขานาธาตุแล้วก็บขานาบิญญ า, า, า, ญญาธาตุขานาิญยาธาตุเป็นธาตุเดียวกินก็บบปกกเป็นธาตุภาษาจมูกก็เป็นธาตุ ตอนนี้ความรู้ว่ากลิ่นขานะวิญญาณนัฐตุเป็นธาตุเหมือนกันชิวหาธาตุผ่านลิ้นก็รักษาธาตุผ่านนสนชิวหาวิญญาณนาตุความรู้รดทางลิ้นก็เป็นธาตุธาตุมันจะสอเสือสาราสอเสือสาราททหารสาราสอเสืออันธาตุแปลว่าขี้ข่าแปลว่าคู่รับใช้ธาตุนะแต่ธาตุตอนนี้แบบมันคือธรรมะ คอคงสลอาตต่าธาตุธาตุธนี้มันแปลว่าทรงไหวส่งไว้อย่างนงั้น <Wong. S 1> ส่งไว้อย่างกินทรงไว้อย่างรสทรงไว้อย่างเล่นทรงไหวอย่า ง, ง, วา ง, ง, วางความรู้สึกทางรสอ่ะทนีนี้ความสัมผัสทางกายครับพธิภัตตาตุกายยะสาตุกายากายะบิดาณธาตุนี่นะกายก็เป็นธาตุนะความรู้สึกนั่ก็เป็นธาตุทางกายอุ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธาตุเหมือนกันธาตุเหมือนกันทีนี้ก็มโนธาตุ ใจธาตใจมาธรรมะธาตุธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องรสสารพัดเรื่องธรรมอารมณ์เรื่องอดีตอนาคตเนี่ยโครงสร้างอะไรตางๆมากระทบเป็นมโนมโนภาพเป็นภาพที่เกิดจากใจภาพเสภาพรูปภาพภาพเสียงภาพกลิ่นภาพรสภาพสารพัดภาพความร้อนความเย็นเหมือนก็ฝันน่ะแต่กระทบ ที่เจ็จ่ไเกิดรวมความรู้สังมโนปัญญาธาตุขึ้นมาทั้งหมดก็ไมีสิบแปดธาตุแต่และคู่ก็สามสามสามสมหกสิบปดเป็นธาตุทั้งหมดเลยไม่ใช่ธาตุบุคคลตัวเราเขาที่ไหนนะคิดอย่างนี้ธาตุอะไรคือทำทำ ท, ท, ที่มาทรงไว้อย่างนั้นเลยทีนี้การที่เราไปรู้แบบตัวแรกรู้ที่พรรษาเพราะกระทบแล้วพรรษาแค่พรรษะกระทบแค่กระทบนะร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอ <c oughs> เราจะไปออกชื่อจะไปออกเสียงมัน การไม่ออกชื่อออกเสียงรู้สื่อๆเนี่ยเขาเรียกรู้แบบสอบบัลลังถ้ารู้ไบบออกชื่อออกเสียงสมมติมันก็รู้แบบสมมติเนี่ยนะรู้จินตนาการมันดีมันอย่างนั้นมันมันมทั่าอย่างนี้มันสวยอย่างงามงันอันนั้นรู้แบบจินตนาการรูปแบบจินตามญะปัญญาเข้าใจไหมที่รู้อย่างนี้ที่รู้รู้อย่างนี้ก็เป็นเป็นรู้ที่ขั้นต้นที่ใช่เป็นรู้ขั้นอย่างขั้นอย่างล้ากิเดสไม่ได้ถ้ารู้แบบผัสสะกระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปใจก็รู้ ใจก็ซื่อๆใจเฉยๆใจเป็นกลางใจว่างๆใจเปล่าๆใจปุ่งๆนะไม่ทําให้ใจดีใจเสียใจยินดียินรักพอใจไม่มีโกรธกลัวสะดุ้งไม่มีตัวรู้ตัวนั้นเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์คือจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ประพัฒเสละไม่ถังจิตตั้งจิตเดิมแท้บริสุทธิ์อยู่มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรือเปล่ารู้ไม่มีรักไม่ีชังไม่มีโกรธไม่มีเกียรติไม่มีสะดุ้งไม่มีกลัวไม่มีสมมุติไม่มีจินตนาการอยู่ในนั้นตัวรู้ตัวนั้นเป็นตัวรู้ที่พ้นทุกอยู่ในตัวแล้วเป็นจิตสะอาด ธาตุรู้สะอาดชาติรู้สว่างธาตุรู้สงบธาตุรู้บริสุทธิ์ธาตุรู้ปกติธาตุรู้ค้นทุกข์อยู่ในตัวนั่นธาตุรู้ต่วนั้นเข้ากระทบพระนิพพานกระทบความความว่างจากทุกข์นั่นเองพรนิพพานแปลว่างจากทุกข์กแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ไม่เกิดขึ้นในใจนะทุกข์เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะอยากเพราะยึดเพราะยุ่งนะไม่มีเพราะโกรธเพราะกลัวไม่เกิดขึ้นในใจนี่ก็เลยชาติสิ้นแล้วชาติตัวนี้เองชาติโลภชาติโกรธชาติหลงนี่แ่ละบาเราก็ไปนึกเอาว่า ออกจากท้องพ่อท้องแม่ตายไปแล้วเราก็วิ่งไปเกิดชนานั่นพนระะอ่ะวัคคะลีนะวิญ ญ, ญาณอย่างนี้นนไม่ใช่วัคคะลีวิญ ญ, ญาณคือตัวรู้หลวง่เทียนบอวิญ ญ, ญาณท่านรู้คือตัวรู้นี่องนีที่วิ่งวันไปเกิดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของความเชื่อของของอินดูของสัตว์ของพวกศาสนาอื่นต่างๆพระเจ้าวิญ ญ, ญาณตัวนี้เองนะทีนีนนนน้เมื่อรู้รู้สึกรู้สึกเฉยเรู้สึกซื่เปล่า ไปตัวรู้ที่บริสุทธิ์ี่น่ยมันก็มีตัวตัวรู้เท่านั้นที่เป็นอาการของนามนาธ า, าตุธ า, า, าตุารู้จิตธาตุธาตุใจนะครับไปรู้เกิดขึ้นจังอยู่ยไปมันก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่ในตัวเสร็จเนี่ยอนิจจังคือกายวาจาใจเนี่ยมันไม่เที่ยงกายวาจาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงได้เป็นทุกข์มันคมีความแปรปวนเป็นธรรมดาไม่ควรตามเห็นมาเป็นตัวเราของเราควรตามเห็นว่าเป็นธรรมะสังขารเป็นธรรมะอสังขตธรรม เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดะบายสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดะบายสิ่งนั้นก็เรียกวัตทุกนั่นแหละเป็นธรรมเป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมฝ่ายส่วนผสมกันอันนี้นอยู่ที่ที่ตัวเราเนี่ยที่กายกับใจเนี่ยตัวเราเนี่ยก็พูดธรรมสมมติอย่างตรงตัวต้องพูดว่าตัวรูปธรรมตัวนมามธรรมตัวธรรมาชาตินันเดี๋ยวพูดแบบนี้มันเป็นอาถาัอาถะอัถะบัญญัติ คือคำพูดที่สูงขึ้นมาเนือน้อเนื้อสมุติบัญญัติขึ้นมาถ้ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่มีนึกไม่มีคิดอยูไ่ไหนก็เป็นรู้ปรมัตธธรรมไปนะปัจจมัตธธรรมมันอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนือผิดเนือถูกเนื้อบุญเ น, อ น, เนือบาปหลุดไปเลย ว, วางไปเลยปล่อยไปเลยนี่ปัจมัตธธรรมรู้แล้วจิตใจไม่ปรุงไม่แต่งรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้อย่างนั้นภาษาบาลีก็เรียกตะถาตาเรีตะถาตาเช่นนั้นเองเหมือนนี่ท้าวจะพูดออกมาว่ามันเป็นอะไร ไม่ต้องพูดว่าเป็นอะไรเช่นนั้นเองเป็นเช่นไรก็เช่นนั้นแหละเช่นร้อนเช่นเย็นเช่นหนาวเช่นอะไรเช่นแข็งเช่นอ่อนเช่นเช่นนั้นอ่ะไม่เอาไม่เอาร้อนมาเปรียบเทียบกับเย็นไม่เอาเย็นมาเปรียบเทียบกับร้อนไม่เอาขี้เหร่มาเปรียบเทียบกับสวยงามหมดเลยไม่เอาสุขมาเปรียบเทียบกับทุขเช่นนั้นเองจบเลยจบแค่ฉันเองรู้สัตตะสตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันเป็นยังไงเป็นไม่เที่ยงก็เป็นไม่เที่ยงเป็นไม่ทนก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์คือไม่ทนเป็นแปวน ก็เป็นแปรปวนเป็นเช่นนั่นเองไงไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นใครเป็นธรรมะเป็นเช่นนั่นเองตาตาเป็นเห็นนั่นเองเป็นอย่างนั้นเองเด็กพวกเราเนี่ยไม่นานนะไปเป็นอย่างนั้นได้เป็นว่าไปเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นดีเป็นชั่วเป็นผิดเป็นถูกไปะะอย่างคือนที่มันบ้าเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเองสติมันไม่ดีประสาทมันไม่ดีก็เรียกอเนจังประสาทมันเป็นอเนจัง สมองมัเป็นอนิจจังเป็นทุกครั้งเป็นตามันควบคุมไม่ได้นะสติไม่มีตัวรู้สึกตัวขาดไปควบคุมไม่มีก็เป็นเช่นนั่นเองะเป็นเช่นนั่นเองอ่ะมันตรงว่มันเป็นบ้านี่ป็นบ้าก็สมมติเถอะนะสมมติรมันคนเป็นบ้าพระเป็นบ้านีพระก็สมมติคนก็สมมติเถอะนะก็รูปนามที่ไม่ไม่มีสติไม่มีปัญญารูปนามขาดสติปัญญานั่นเองก็เกิเป็นเป็นอย่างนั้นไงไม่มีปสติปัญญาจะไปควบคุมความคิด ไม่ควบคุมจิตใจควบคุมคำพูดควบคุมการกระทาทําไปสเปะสปะไปอย่างนั้นเลยส่งเดชไปอย่างนั้นพวกเราก็เหมือนกันอะไปคิดคิดโลบคิดโกรธคิดหลงเนี่ยก็ไม่มีสติแล้วะสติจะไม่คิดอย่างนั้นาสติจะถ้าจะคิดก็คิดว่าคิดว่าถ้าจะคิดว่าโอ้ตัวลบตัวโกรธตัวหลงมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังตะตาเนี่ยก็ออกจากกิเลสตัวโลบตัวโกรธตัวหลงออกมาเป็นตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาตัวปัญญาณปัญญาขึ้นมาตัว ที่มันเกิดขึ้นมันขับแค้นใจน่ะอ๋ออันนี้จังทุกขังตาตัวทําให้ใจเกิดความรักอนุ่มนวนขึ้นมาอ๋ออันนี้จังทุกขังตาดีใจอันนี้จังทุกขังตาเสียใจก็อนนี้จังทุกขังตาหัวเราะก็อันนี้จังทุกขังตาร้องไห้ก็อันนี้จังทุกขังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ทับไปหลวงพ่เทียนก็พูดชัดนะหัวเราะกับร้องไห้ก็ไม่ทุกเท่ากันดีใจเสียใจไปทุกเท่ากันเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนี่หลวงพ่เทียนพูดชัดจะแจ้งแดงแจ๋เลยใช่ พูดตรงกับบุรุเจ้าเพะเลยพวกเราก็ดีใจใ<น>ดีใจนั่นก็ตัวกูดีใจเสียใจก็ตัวกูเสียใจใ<น>ไปโกงเอาอาการดีใจอาการเสียใจอาการรักอาฉังมาเป็นตัวเป็นตนอันนี้เราไปไปตู่ไปโกงไปป้นไปขโมยเอาอาธรรมามาเป็นตัวตนธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายบาปฝ่ายโง่มเป็นตัวตนธรรมะฝ่ายดีก็ไปโกงเอาเมตตากรุณาวิสัชน์ปุถุขามาเป็นตัวเป็นตนโกงว่าเป็นเทวดาโกงว่าเป็นอินเป็นพระพรหมโกงว่าเป็นมนุษย์ เนี่ยตีอริยะไม่โกงห่างไกลห่างไกลอริยะอะริยาอริยะแปลว่าศัตรูอริยะแปลว่าไม่ใช่ศัตรูอริยะปราศจากศัตรูปราศจากกิเลสปราศจากความโม่ปราศจากความทุกข์ห่างไกลจากความทุกข์อริยะห่างไกลวันนี้ถ้าใครหัวเราะเก่งๆร้องไห้เก่งๆดีใจเก่งๆเสียใจเก่งๆผู้นั้นอยู่ไกลชิติดกับกิเลสเขาเรียกหนาหนาแน่น ติดเนี่ยปุถุแปลว่าหนาชนชนะแปลว่าคนปุถุชนคนหนาหนาด้วยความโลภหนาด้วยความโกรธหนาด้วยความหลงหนาด้วยความรักหนาความชังหนาหนาด้วยความจิตบ้านมาตัวกูของกูหนาแน่นติดตึ๊บเลยตัดไม่ขาดหลวงพ่อเทียนท่านมีอารมณ์แต่ก่อนก็มีอารมณ์ไมพอใจกับภรรยาทีนี้ก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแสดงพอนึกถึงอารมณ์นั้นขึ้นมาไอ้ทีึ่ภาพเก่ามันหลอนขึ้นมาสัญญาณโผลขึ้นมาตัวโกรธไม่มีเลยนี ไม่เฉยโอ้ตัดขาดแล้วต่อไม่ติดตัดขาดเที่ยวสองเส้นตัดตรงขาดปั๊บเนี่ยอารมณ์อะไรที่มันเกิดน่ารักก็ไม่รักหน้าช่างก็ไม่ช่างหน้าโกรธก็ไม่โกรธหน้าเกียดก็ไม่เกียติหน้าหลงก็ไม่หลงกันเนาะไม่เลยตัดขาดแล้วนะ่ต่อไม่ติดตัดขาดหลุดพ้นปล่อยวางบรรลุในผ่านคือคำคำเดียวกันนะคำคำเดียวกันตัดขาดต่อไม่ติดปล่อยวางหลุดพ้นนชนะกิเลสเหนือกิเลสอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอันเดียวกัน คำพูดหลายคำพูดเสภาษาหลายภาษาแต่มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันะทีนี้เราก็มาทําที่จุดเดียวกันนี่ยทําความรู้สึกรู้สึกซื่อๆรู้สึกเหยกมือนะยกขึ้นมาจับตัวเองตัวโลภมีไหมตัวโกรธมีไหมตัวหลงไม่มีความคิดมือนึกไม่มีเลยผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ะไม่มีเลยคนโง่คนฉลาดอะไรก็ไม่มีรู้สึกซื่อๆรู้สึกมันเผลอไปมันเผลอไปตามสัญญา ความคิดมันโผล่ขึ้นมาสัญญามันจําขึ้นมาเวทนามันโผล่ขึ้นมาสังขารความคิดมันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาปั๊บเลมันก็ปรุงเลยปรุงไปเลยถ้าหากว่ามันมันคิดถึงเรื่องดีมันก็ปุุงในเรื่องดีถ้ามันคิดเรื่องชั่วมันก็ปรุงในเรื่องชั่วขึ้นมาะมันปุุงขึ้นมาเนี่ยมันจิตตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ไม่ใช่จิตตัวแรกไม่ใช่ตัวเดิมตัวเดิมปั๊บมันจะรู้เฉยเนยทีนี้บังเอิญสัญญาเราโผล่ขึ้นมาไฟดีเราก็เฉยฝ่ายชั่วเราก็เฉยนั่น ชนะอารมณ์ในอดีตอนาคตมันจะโผล่ขึ้นมาพับแล้วก็เฉยนะแล้วก็ไม่ปรุงต่อกลับมาเจอความสุขสุขสวัสดีครับอนาคตก็ทําอะไรเราไม่ได้อดีตก็ทำได้ไม่ได้รู้แต่ปัจจุบันปัจจุบันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปด้วยความไม่ทุกขผ่านไปด้วยความว่างจากกิเลสผ่านไปด้วยความว่างจากกลุนะตัวรู้ที่บริสุทธิ์มันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปตัวรู้ไม่ใช่พันธิพาณนะแต่ตัวพันธิพานก็มาเนื่องว่าตัวรู้ไปกระทบกับความว่างจากทุกข์เขาแล้ว ตัวรู้ไม่ทุกข์ด้วยอคือใจอะธาตดูไม่ทุกข์ไม่ทุกด้วยไม่มีปัญหาด้วยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่ย็นดีไม่เย็นร้ายไม่สะดุ้งไม่กลัวไม่หวั่นเสียอะไรไม่ติไม่ชมไม่ดินท้าไม่สารเสือกอะไระเชยอยู่รู้สื่อืรู้เฉยเฉรู้เปล่าเปล่ารู้กลางๆรู้บริสุทธิ์เนี่ยอนนีตัวนี้เรากที่หลวงพ่อเสียนฝึกตรงที่สุดเน่ยบุญคือรู้คือรู้สึกรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้เปล่าเปล่ารู้กลางกลางรู้บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ง ที่เรามาทําเนี่ยญาติโยมมาทำเนี่ยมาทํายอดบุญเลยมาทําทางไปพันิพาน ต, ตรงๆเลยเช่นคนอื่นก็ยังทําอย่างอื่นด้วยทําทีนี้ตัวพันิพาน fandom. มันเป็นทุกอย่างมันเป็นการให้ทานด้วยเป็นการรักษาศีลด้วยเป็นการเจริญสมาธิด้วยเป็นการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงอยู่ในตัวเลยตัวพนัพ น, น, วพนิพานเนี่ยตัวพัาดคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่รู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆเนี่ยนะ เป็นเป็นเป็นหมดเลยเป็นพันิพานเป็นเมตตากรุณ า, มาเมตตาอเวคาเลยหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าท่านสอนมีคนถามว่าหลวง ป, ปู่ที่สอนญาติโยมให้จเจริญสติเอาเป็นเอาตายเนี่ยไม่กลัวตา ย, ปป อ, ตายอย่างนี้หลวงปู่สอนนี่เมตตาอย่างเต็มที่อย่างแรงใช่ไหมหลวง ป, ปู่ไม่ใช่ปัญญาพาทำตัวสติปัญญาตัวพันิพาณเลยเองพาทำว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยอ่า อะไรควรนิ่งไม่ควรนิ่งเลยเอะไรควรวช่วยเหลืออะไรไม่ควรช่วยเหลืออย่างเนี่ยนเนี่ยก็รู้ว่ากิจอะไรควรทําทําทุกสิ่งทุกอย่างนะจะมีสติปัญญาก็รู้ก็ดีไม่มีสติปัญญาทําเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยคนโกรธขึ้นมาฆ่าคนก็ฆ่าเพื่อจับทุกตัวเองไลยแต่มันทําที่ผิดวิธีมันทําแบบโง่ๆมันทําแบบไม่มีสติปัญญาพวกนักโทษติดคุกปนเขาฆ่าเขาแกงเขาอะไรเล่นตุน ก, การพนันเสพยาเสพติดเนี่ยก็เรียกว่ารูปหน้าโง่ๆ ลูกนาไม่มีสติไม่มีปัญญาเนยแต่พวกเราเนี่ยเป็นรูปตามที่มีสติมีปัญญาจึงคิดจึงพูดจึงทําเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่ก็ต่างกันตรงนี้เองนะต่างกันหน้ามือกับหลังมือเนี่หน้ามือกําตะพืดกอบตะพืดโกยตะพืชนย่างหลังมือแบเอาไปเลยให้ไปเลยเอาไปเลยไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางไปหมดเลยอันหนึ่งทําเพื่อเอาพวกกอบพวกโกยเ น, นี่ยมันก็หนักนก็หนักต่อไปทุกมันแปลว่าหนั ก, นกคนทุกข์มันแปลว่าเบา ทุกไปว้านลำบากไม่สบายก็ไม่ทุกเลยก็เย็นก็แปลว่าไม่ทุ ก, ทกร้อนแปลว่าทุกเย็นปกติธรรมดาผิดปกติเองปกติปกติคือใจซื่อใจเฉย ใ, ใ, ใจบริสุทธิ์ผิดปกติผิดไปรักผิดไปชังผิดไปยินดีผิดไปยินไล่นั่นเนี่ถ้าใครสังเกตตัวเองวองา่าร้ก้าก้ๆก้ากับนักบาแล้วที่นะ่บา้วกิเลสบ้าแากกดบบาสแดงออกมารนะ้องไห้ก็กิเลส บ, บ้าสแสดงออกมาแนละ้วกิเลส บ, บ้าคือกิเลสโง่เล คือถ้าใจไม่ไม่สัมผัสกับสติสติเข้าไปดูไม่ทันอะไรกระทบปั๊บรู้ทันทีสิ่งดีกระทบเฉยสิ่งชั่วร้ายมันกระทบตาหูจมูกลิ้นก็เฉยๆนี่ตัดที่ผัสสะเลยถ้าหากว่ามันเป็นสุขขึ้นมาโอ้อารมณ์ดีๆกระทบเข้ามาสวยกระทเข้ามาไม่สวยกระทบเข้ามาดีสุขกระทบมาสุขกระทบมาอันนี้กระทบที่เวทนาเวทนากระทบมาดูใจะอยมาดูใจถ้าสุขกระทบ ใจเฉยนี่ชนะสุขนะถ้าทุกกระทบใจเฉยนี่ชนะทุกนะฐานาที่ไปธนาเพราะสัณหามันเกิดขึ้นการ บ, บัตรตัหาเกิดขึ้นก็นรู้ว่าจิตมีการ บ, บัตรตัณหาพยาบาทะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมีมีความโกรธเกิดขึ้ น, นจิตมีมโ ม, ม, ม, มหะหลงมาตัวตนจิตก็มีโมหะทีนี้กนะ็รู้ตามเขาไปรู้เลยเขตามเขาไปรู้ปั๊บเลเนี่ยไอไอราคะโทสะโมหะมันก็จะหายออกไปอ๋อในเหตุจิตว่างแล้วว่างจากราคาโทสะโมหะนี่ก็รู้จิตเนี่ยนะ ดูกายนี่แหละเรามันดูที่กายรู้สึกนี่แหะแล้วมันจะย้อนไปดูตัวเองเพราะตัวรู้มันจะรู้ตัวมันเองเลยนะเข้าใจไหมมันรู้ผู้อื่นมันรู้มือเคลื่อนไหวมันรู้กายเคลื่อนไหวรูปเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเสแล้วมันก็จะรู้ตัวมันเองมันเคลื่อนไหวยังไงเคลื่อนไหวไปรักเคลื่อนไหวไปชังเคลื่อนไหวไปยินดีหรือเคลื่อนไหวไปยินไล่หรือว่ามันอยู่นิ่งๆปราศจากยินดียินไล่ในปกติมันก็จะย้อนไปดูตัวมันเองแต่เราฝึกตัวรู้เนี่ยฝึกตัวติตัวปัญญาเนี่ยธาตรู้เนี่ยฝึกให้มันคล่องแค่ว่องไว ให้มันรู้อารมณ์นะ่ะมันคล่องแคล่วว่องไวไปรู้ปั๊บเถเนี่ยไออารมณ์ที่โลภที่โกรธที่หลงมันก็หายไปคือมันเปลี่ยนหน้าที่จากมาเป็นผู้ดูมาเป็นผู้เป็นผู้จะอ่าเป็นกรรมการเสียเป็นผู้ดูเสียเถนเนี่ยมันจะเราวมันเป็นผู้เล่นเนี่ยเล่นโลภเล่นโกรธเล่นหลงไปเกิดตัวนั้นขึ้นมาแต่มันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกลับมาเป็นกรรมการให้ผู้ดูเสียก็ดูผิดก็ผิดก็ถูกก็ถูกเนี่ยกรรมการก็ตัดสินแบบยุติธรรมนะอ่ากรรมการไม่ทุกข์ด้วย ไม่แพ้ไม่ชนะกับใครเป็นกรรมการเป็นกลางอยู่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันตัวสติที่เราฝึกอยู่ทนี้ต้องทําทางตรงที่สุดเลยนะตรงที่สุดเลยรัดสั้นที่สุดเนี่ยหลวงพ่อเทียมมาสอนเลยนะสอนพระเจ้าก็สอนให้รู้ทุกและก็ดับทุกเลยนะดับทุกด้วยวิธีต่งตางๆทุกขันตน้ตนๆกดดน็ดับด้วยทานดับด้วยศีลดับด้วยสมาธิดับด้วยปัญญาทุกสุดท้ายก็ดับด้วยความปล่อยวางคือตัวปัญญาเนี่ยเขาไปปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือปล่อยวางปล่อยวางคือต่อไม่ติดต่อไม่ติดคือตัดขาดคือบรรลุคันิพานต้องคือตัวสุดท้ายวางอนุปปัฏฐานมิมุจันติสาธุชนคนมีสติปัญญาจะดูดพจับทุกข์เพราะความปล่อยวางปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกาะไม่ติดไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรบอกแล้วติเนี่ยติดอะไรถึงดีๆมากระทบก็ติดยินดีสิ่งชั่วๆมากระทบก็ติดยินหลายเขาไปติดเขาไปต่อตัดไม่ขาด จะก็รั่วออกอาการติตอารมณ์ต่ออารมณ์นี่คือคือจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาคือจิตงงจิตหลงจิตงูจิตหลงจิตบ้าบอแล้วทีนี้อารมณ์นั่นเนี่ยมาทําให้จิตมืดมัวขึ้นมาจิตใจเดิมมันฟ่องใสอยู่แต่ว่าถูกอารมณ์ถูกไอ้กิเลสเข้ามาห่อหุ้มปิดฝังไว้เหมือนพระอาทิตย์แจ้งสว่างอยู่เสมอมีเมฆมีหมอกเข้าไปฝังพระแสงอาทิตย์ก็เข้ามาสู่โลกไม่ได้ใจเราก็เหมือนกัน กิเลสถูกความโลภความโกรธความหลงมันบังเลยไม่เห็นจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบจิตปกติจิตบริสุทธิ์จิตไม่มีทุกข์มองไม่เห็นทจริงจิตนั้นเนี่ยแต่ว่าอารมณ์สิ่งแบดล้อมมันเข้ามาปิดบังไปทีนี้เราก็รู้สิ่งแวดล้อมเข้ามาบังก็เห็นมันสิ่งแบดล้อมจะเป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงจะเป็นอะไรดิดน้ำต้มไฟอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรก็แต่มาบังมันก็เห็นอ๋อเห็นแล้วน่รูปเห็นแล้วน่าหนำทีนี้ให้เราสอนสัญญาฝึกสัญญาเอาไว้เปลี่ยนสัญญาสมัย ให้มันดีขึ้นพอเห็นใครเดินมาหรือไปเราจะว่าคุณปูป่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่อยาไปสมมติมาพระเน้นสเห็นใช่ชีมาต่างรูปนาำเ น, นี่ยเปลี่ยนอัถาขึ้นมาอาสาบัญญัติขึ้นมาดีกว่าสมมติบัญญัติขึ้นมาเป็นอาสาบัญญัติบัญญัติที่จะเข้าไปสู่ปรมาสมาบัญญัติไปอยู่บัญญัติที่ผลทุกข์เขาจะมองอ๋อรูปน้ำเต้นถ้าเห็นพระบ้าบ้าบอดร้องเพลงเต้นอะไรอยู่นะครับรูปน้ำโง่โงรูปนาำไม่มีสติปัญญาเท่ใครคนไหน หน้าตา am, ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอ้อรูปานามมีสติปัญญายังไม่ทุกนเออเห็นอย่างนี้ให้มาละภาษามนุษย์ภาษาโลกภาษาสมุติทิ้งไปเสียจิตมันจะได้เข้าไปสู่ภาษาปฐมัตมิภาษาสัมผัสรู้ซื่อๆรูปเฉยๆรูปแบบไม่มีทุกเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนมากที่เราก็พูดคนนั้นคนนี้คุยกันกโงงโฉงเฉงทั้งวันเลยหลงตัวมุดหลงตัวกูหลงตัวมึงอยู่เลยเห็นอ่ะนั่นเขาเนี่ยนั่นก็เราก็ไปยัดเยียด กิเลสตัวตนให้แก่ตัวเองว่าเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาแล้วก็ไปยัดแบบคุณฉันท่านเธอไปยัดเยียดไอตัวติดลาบเจ้าเสน่ห์นเขาอีกเข้าใจไหมยัดเดียดตันเตจิโกเขาไปไหนม า, มาจะถามว<า>่าไปไหนมารูปน้ำ น, นั้นไปไหนมาไปทําอะไรมาไปขณะรูปน้ำไปไหนมาพนระคุณเจ้าไปไหนมาท่านไปไหนมาเนี่ยเอาสมมุติไปใส่ธรรมะไปไหนมาหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าตั้งแต่หนึ่ง อะตอมหนึ่งโมเลกุลหนึ่งฝุ่นเม็ดอะไรเนี่ยจนถึงปฏิพานเป็นธรรมะล้วนๆทั้งหมดหมดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาฟร้างจากตัวตนว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันหมดเลยทั้งหมดเนี่ยแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เราประิสมมติอย่าประิสมุติเป็สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมะทุกอย่างเลยชักวก็เป็นธรรมะดีกเป็นธรรมะทีธรรมะหมดเลยนะแต่ว่าธรรมะมันก็มีหลายระดับเล ระดับหลังมือระดับหน้ามือระดับตื่นระดับลึกระดับโง่ระดับฉลาดระดับคนทุกข์จะมีคนธรรมะทั้งหมดเห็นนี่เราก็เห็นเออโอธรอรมะไปไหนมาพระธรรมไปในมาไปแล้วกราบไหว้กันอ่กากราบสวัส ด, ดีธรรมะธรรมะสวัส ด, ดีเกิดสวัสดีรูปนามรูปก็เป็นธรรมะนามก็เป็นธรรมะใช่ไหมกิริยายกมือก็เป็นธรรมะคิดพูดทำก็เป็นอาการของธรรมะทั้งหมดหลงพ่อคำเถียนพูดอาการนั่นแหละคืออาการของธรรมะทีนี้พูดอาการเป็นกลางๆ สุกก็เป็นอาการทุกข์ก็เป็นอาการเหลือพูดอย่างนั้นก็เลยเป็นคล้ายๆเข้าสู่สัจจะบัญญัติปาระอัฏบัญญตัติใกล้ปนมัตบัญญตนะัติเข้าไปนะไม่ได้ใช้ซื่อใช้เสียงสสมุดเข้าไปอาการนะเป็นอาการเป็นอาการเวลาท่านหายใจสามครั้งไม่ออกแล้วก็จิต ด, ดับไปเลยใจเฉยอย่างงี้ไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่บาดเสียวไม่อะไรเฉยพอฟื้นพพขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็ เฉยอยู่เห็นไหมไม่ดีใจไม่เสียใจไม่โกรธไม่โกรธไม่หลงไม่สะดุ้งไม่หวั่นเสียวอะไรนั่นแหละไอ้ตัวที่รู้เฉยๆนั่นแหละเป็นตัวที่กระทบปฏิภาณนะใจว่างจากกิเลสว่าจ้างดีๆไหวไรยินไรไหวอย่างจบของโรคขอโกรธของขวนเนี่ยนี่หลวงพ่อทึงตัดสินว่าหลวงพ่อนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคนอื่นจะไหวยังไงแต่หลวงพ่อเชื่อร้อเปอร์เซน์ศรัทธานะแต่ว่าปัญญานี่ยังเข้าไม่ถึงถ้าปัญญาปล่อยวางได้หลวงพ่อก็นั่นแหละ แต่รู้เราพ่อร้อเปอนตอันนี้อาตมาก็รู้สักเก้าสิบเก้าบเอร์ซนต์ไม่กอตัดสินใจว่าเรามองคนเนี่ยนะมองคนทุกคนเนะี่ยให้เป็นพระละหันไปมันจะเป็นพระอนุมุญพระอะไรก็ช่างหัวมันเอาพระละหละันเรามองอย่างนี้เรามองให้สูงไว้นะนรืว่าด่าคนอนะ่ะลูกหมาไอ้ตัวเองก็เป็นลูกหมาพ่อก็เป็นพ่อหมาแม่ก็แม่หมาปูทักก่วเป็นหมาหมดเลยเข้าใจไห ม, ทมเทพว่าเราด่าหม่ลูกพระธรรม ลูกเทวดาลูกพระอินทร์ลูกพระพมดาขึ้นแช่งขึ้นเข้าใจไหมแช่งแบบพ้นทุกข์บบกขึ้นมาสาบแบบพ้นทุกข์ขึ้นมาโอ้เนี่นี่พระอาหันต์นาะเนะี่ยว่าไปนี่ยแช่งขึ้นสาบขึ้นให้มันดีขึ้นไปใจเราก็จะได้ใจเราจะได้มีก็ เ, เลยกบอกง่ายๆให้กลายเป็นดีมังข้อความเขียนกันบอกขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความโกรธขอบคุณรูปนามโอ้โง่ที่มาทําให้เราเห็นขอบคุณขอบคุณก็ให้อภัยอะไร คือเมตตากุณาเป็นการบริจาคค่ะทานอยู่เนียวบริจาคตัวโรคตัวโกธตัวหลงทิ้งไปเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลอยู่ดีเป็นการเจริญสมาธิอยู่ดีเป็นการเจริญปัญญาอยู่ดีคือตัวให้อภัยเนี่ยให้อภัยเนี่ยคืให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งพวกเป็นทานด้วยเป็นศีลด้วยเห็นไหมเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยตัวกระทบอารมณ์อะไรไม่โรคไม่โกดไม่หลงเลยกระทบแล้ที่ตาหูจมูกนี้ไม่โรคไม่โกดไม่หลงเป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นทานเป็น พระนิพพานอยู่ในตัวเรียบร้อยเลยดูทุกตัวเดียวจะเห็นเหตุให้เกิดทุกจะเห็นนิโรธความดับทุกจะเห็นวิธีดับทุกคือเข้าไปดูเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรตัวนั้นรวมหมดเลยรวมสี่เป็นหนึ่งนะโฟอวันสี่รวมหนึ่งทีอนวันแล้วเออินวันกับมัคแปดรวมเป็นหนึ่งใช่แปดรวมเป็นหนึ่งอย่างนี้เองเขาเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ทำใจนะ ไม่ใช่เข้าใจแล้วไม่ทําใจในชะเข้าใจก็ต้องทําใจนะนาทาใจก็เออมือสร้างจังหวปะปฏิเสธเราดูแต่มันจิตมันก็โค้งไปยินดีโค้งไปยินร้ายโคดไปยินดีคดไปยินร้ายคดไปพอใจไม่พอใจเนะี่ก็ยกมือช่วยมันเสียฟังไปเนยะฟังไปหลวงพ่อยกมือฟังชัดฟังชัดเลยนะไม่ใช่ฟังไม่ชัดยกมือเสียทีนี้มันจิตมันพุ่งออกไป จับคำพูดเขามันก็ลืมตัวยกมือไปทีนี้เรายกมือจับที่ยกมือโอ้สบายใจนะได้ดียกวัดอยู่วัดโบกนะ่ะยกมือพระเทพแข็งยกมือเลยยกแล้วมันจับอารมณ์ดีนะจับไปจับมาเออสบายใจดีใจสบายดีนะไม่ไปคนเราคนพู ด, พดเทศนะั้นเขาคิดให้เร า, เราคิดแทนเราเขาพูดแทนเราเนะี่ยเรายกมือฟังอย่างเดียวอได้อารมณ์ดีปล่อยวางเฉยได้นะไม่ติคนเทพพิเศษถูกไม่สิไ ม, สไม่กระชมทอะไรนะ ใจใจละ ว, ว่างว่างจากติว่างจากชมว่างจัตสรรเสริญว่างจากเนินาคือว่างจากต<ม>ัวปูม<า>แสงนั่นเองเยมาจับที่เสือเออสบายดีน เ, เ, เ, เนี่ยก็เลยเชื่อหลวง่เจี๋ยเน่ยเชื่อไปที่ทางรัฐนะเชื่อเพ ร, ะพระาะว่ากําหนดเราแต่ที่สิ่งที่สุดก็ลูกเคยหลวงปู่กรกมเนี่ <S <S แหละเทศที่วัดป่าเขาคงขาตอนนั้นหลวงพ่อไปอินเดียมา41วันเขาเอาแค่ 25,000 กลับมาเขาสวายคืนดียข้ร้อยเนี่ยยงคนนั้นให้คนนี้ให้อีกนะมีเงินอยู่ ไปอเดียกลับมาเราะจากทมศักดิ์ขึ้นธรรมาตเถิดต้นลานต้นโพหลวงพ่อก็ฟังจะสนามยาข้างขาสะจักรเทศไดเรื่อยๆเจ้าอารวาสเจ้าคณะตำบลขี้บนเจ้าหน้าเพอะขี้เพอขี้เพอเจ้าจังหวัดเป็นวัดขัดจมูบกน้งบูกไหลเจ็บไข้เด้ปวยเจากน้ภาคเป็นอำมาพจักรลาดเอาปลูกเสกในหลวงเป็นอาจตั้งให้มาพูดหนึ่งนะพูดถ้าเขาอาเทฟนะเอาส่งไปให้ใครละะสงนะตแส้ดน สรกข้อเหลืองตัวนั้นเลยทั้งก็เทศเศรษฐอิจอะเราป่ากรเฉยคนกินหมาป่าดำเหมือนกับดาบค่อยเหมือนกับตูดค่อยเขาบอกี่ว่างเงี้ยฟันมาทีนี้โอ้ยพวกเนี้ยไม่ไ ด, ด้ตมข้าอวัอนค่อยดอกไม่เห็นหรอเส็นพูดไปทีนี้พูดมันพูดได้การกระทํามันตับกันตรงการข้ามเลยนะพ่อเฉยเลยฟังไม่ติรู้ว่าท่านพี่กัฟังเฉยเลยอ็ก็เลยลรู้ว่าตอนไปอินเดียเนี่ยอ๋อพระเจ้าอยู่ที่ สติความรู้สึกตัว อ, อยู่ที่หลวงพ่อเทียนสอนโน่นหนึ่งเงนพอกล<อ>ับมาบัตรที่ยี่สิบันรที่ยีสองงานวัดเขาคงคาก็เร<อ>ิ่มบันที่สิบพ่อก็เข้าปฏิบัติทำที่นั่นเลยเทันทีทันใดเลยโอ้โอพระพุทธเจ้าก็คือตัวสติตัวปัญญาที่รู้อารมณ์แล้วปล่อยวางนี่คือตัวนี้เองถ้าเราคำได้ตัวนี้นด้เราก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เราเป็นสาวกพุทธอนุพุทธเสร็จพุทธะหลวงพ่อเทียนพูดตรงเป๊ะเลยอ๋อตำแหน่งพุทธะ คนทุกพุทธเจ้าไม่ได้หวงให้ใครเป็นใต้ทุกคนเนีเป็นสาวกพุทธะอนุพุทธะสิทธพุทธะหลานพุทธะลูกพุทธะไปเหลนพุทธะไปเยาวชนพุทธะไปอย่างนี้เองคือเยาวชนคนทุกตามพระพุทธเจ้าไปเนี่เป็นความหมายที่พูทธทัดหลวงพ่อปฏิบัติอยู่กับอาจารย์ยันตาน้อยมีคนขอรบกาบไหว้น่ะคนยกยอปอปั้นอย่นี่ยให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของเงินไม่ได้ให้หรอกน่ะพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะไป ไปต้องเอาเซเลนเนอร์ซเรซเลนสิงคโปร์มาเรื่องซิ่งคูชิ่งสีลังกากลับมาไทยไม่แวะ ไ, ไปสีลังกายต่อไปประเทศจีนฮ่องกงไต้หวันมาเขาไปอีกไปฟรีหมดเลยโยมให้ไปะะประิไปติตว่ตาลาบเยอะสนุกสนสุกไปรติดสุขเลยไปติดกินดีเขาฟอกปั่นนั่นประจิตอยู่สิพอไม่ได้อารมณ์อย่างนั้นเนี่ยโอ้เรากลับยุ้โหยเลยถ้าเดีว่ารากิเลสไม่ได้นะรากิเลสมาติดสุขติดนั่นไปติดความดีไป ก็เรีก็บาป่ะบาดีไปบ้าสุขไปบ้าดีไปอย่างเงนอ่าทัาสายหลวงพ่อเทียนนี่ก็นั่นอยู่ติ็สุขอยู่ตจ็ ส, ตสุขจากการรู้สึกซื่อๆเฉยก็จริงจจริติดอยู่นะอยากพอใจเพราะว่าที่อะไรไปเดินตรงกลมที่หลวงพ่อมาหาอะไรนะสิ่งหนึ่งแดดสองร้อนสิ่หนึ่งลมพัดเย็นพอเดิ น, ดนบนจงกรมรอบกุฏิพอไปถูกข์กุแดดใจมันเฉยได้ไม่ไม่ทุกไม่ไม่เดือดร้อนอะไรพอมาสูกลมเย็นโอ้สบายใจติดสุขเลย แล้วพ่อมาธรรมะเนี่ยเราจะติดสุกเหรอติดดีชั่วไม่เคติดเท่าไหร่เขาชั่วคําด่าคำสรประมานของเขาเนี่ยกลับได้ดีเพ<ด>ระตอนเขียนหนังสือเ ป, เป็นเป็นนักเรียนอยู่มห้ามหกอะไรเขียนหนังสือส่งครูครูบอกไรมือหมาเ ห, ม, หมือนกันไรอ่านไม่ออกไรมือหมาดา่าไรมือไก่ก็เขายิ่วชวนด่าไรมือหมาแล้วพ่อก็หัดเขียนหนังสือให้สวยขึ้นเลยนีย ม, มีคนชมว่าหลวงพ่อเขียนสวยนั่นแหละเพราะได้ดีเพราะครูด่าว่าไรมือหมา พวกเราเหมือนกันกับร้ายกายไปดีหลวงพว่อคำเขียนพูดสิกับรู้กับหลงให้เป็นรู้เนี่ยเออเหมือนกันเขาด่าก็ขอบคุณข่ามาบอกเขาเทศให้เราฟังเราไม่ต้องตีกันเทศด้วยเข้าใจมประวัตใจเรามีกิเลสหรือเปล่าว่างจะกิเลสหรือเปล่าขอบคุณข่าขายสอนอเสนออะไรเราก็ขอบคุณข้าปวัตใจเราติดสนรเสริญหรือเปล่าหรือปล่อยวางได้เนี่ยเข้าใจไหมทุกคนเทศหมดนาะนะแต่เราไม่รู้จติตปัญญาไม่ดีเนยกลับร้ายกายไปดีไม่ได้กับขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้เข้าใจไหม ที่คนชนาะาคนมีสติปัญญากับร้ากลายเป็นดีกับขี้เป็นปุ๋ยแทนกับโง่เป็นชนาะกับหลงให้เป็นรู้กับทุกให้เป็นพ้นทุกข์ได้ตามที่หลวงพ่อคำเขียนขอให้ท่านทุกท่านตรงมีสติปัญญาฝึกสติความรู้สึกตัวให้ค่องแคลวองไวขึ้นจะได้เป็นศิลสมาธิปัญญาเป็นทางพ้นทุกข์ตามหลวงพ่อคำเขียนตามหลวงพ่เทียนตามพุทธเจ้าไปด้วยกันทุกท่านเถิด